วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สาสิบอ็ดสิงหาคมพุทธศักราชสอง8ันห้าสดเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ ให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ปรารถนาวิมุติธรรมคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้ได้หยุดการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลร่างกายหนึ่งวันเพื่อเอาเวลามาทำหน้าที่ของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งมอบไว้ให้เพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆและจะช่วยทำให้พระพุทธศาสนาอยู่อย่างยั่งยืนถาวรการที่พระพุทธศาสนาจะอยู่ไปได้นานมีผู้มีศรัทธามากๆก็อยู่ที่ชาวพุทธเรา จะทำหน้าที่ของชาวพุทธเราได้สมบูรณ์หรือไม่เพราะถ้าเราชาวพุทธสามารถทำหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์เราก็จะได้ทำให้พระพุทธศาสนาอยู่อย่างมั่นคงอยู่อย่างยาวนานเพราะว่าผู้ที่ทาหน้าที่ของชาวพุทธได้สำเร็จเรื่องแล้วนั้นจะเป็น เป็นพระอริยบุคคลกันนั่นเองเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพะระอรหันต์<ม>ถ้ามีบุคคลเหล่านี้อยู่ในพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงไรความศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็จะมีมากน้อยเพียงนั้นศา<ม>สนานี้ศรัทธานในศาสนานี้ ไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์เจดีย์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆศาลาหลังใหญ่ๆเจดีย์หลังใหญ่ ๆ, ญๆถาวรวัตถุเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่จะสร้างความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาให้แก่ผู้ที่มาได้พบเห็นได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยว ให้เพลิดเพลินให้ดูลับเพลิดเพลินไปเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถยังให้เกิดศรัทธาในผู้ที่ได้มาประสบพบเห็นได้ต่างกับเวลาที่ได้มาประสบพบเห็นกับพระอริยะบุคคลเวลาได้พบเห็นเบลอะพอริยบุคคลแต่และองค์แล้วได้ยินได้ฟังธรรมมันประเสริฐของท่านแล้วจะทําให้เกิดมีความศรัทธา มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพราะธรรมที่ท่านแสดงนั้นเป็นธรรมที่ไม่สามารถได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นนั่นเองธรรมที่ได้ยินได้ธรรมที่ท่านได้แสดงนั้นเป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการทำหน้าที่ของชาวพุทธถ้าได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธแล้ว ธรรมันเลิดอันประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมาในใจเมื่อได้เอาธรรมันเลิดอันประเสริฐนี้มาแสดงมาเผยแพ่ให้แก่ผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดศรัทธาเนื่มสายขึ้นมาทันทีดังนั้นสิ่งที่เราชาวพุทธควรที่จะให้ความสำคัญก็คือทำตามที่พู้เจ้าทรง ให้ความสําคัญคือให้พวกเราทุกคนมีวันพระกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะมีหนึ่งวันการมีวันพระนี่ความจริงความหมายของวันพระก็คือให้เราหยุดทำงานทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อเราจะได้มีเวลามาทำหน้าที่ของชาวพุทธเหล่านี้แต่สมัยนี้ ปฏิทินที่กำหนดวันพระนี้มักจะไม่ตรงไปกับไม่ตรงกับวันหยุดทางานของคนในยุคปัจจุบันนี้สมัยก่อนคนจะหยุดทางานตรงกับวันพระกันแต่สมัยนี้เนื่องจากมีการทำมากินค้าขายกับต่างประเทศเลยจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวันหยุดทำงานจากวันพระ มาให้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดสาลกันเพราะจะได้ทำมาหากินกันอย่างสะดวกติดต่อกันได้อย่างสะดวกถ้าเรามาถือวันพระตามปฏิทินเดิมมาหยุดทำงานตามวันพระบางวันบางวันวันพระก็จะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดทำงานของของของนานาประเทศเขา การทำมาหาเกณฑ์ค้าขายก็อาจจะติดขัดขัดข้องกันไม่สะดวกจึงทําให้ทางราชการทางบ้านเมืองของเราต้องกำหนดวันหยุดทำงานขึ้นมาใหม่แทนที่จะหยุดวันหยุดทำงานตามวันพระก็เลยมาเปลี่ยนเป็นวันหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์ให้ตรงกับสาคลเพื่อที่จะได้หยุด พร้อมกันทำงานพร้อมกันวันพระของเราจึงไม่มีความเหมาะสมถ้าเรายึดถือวันพระตามปฏิทินเดิมต่อไปวันพระนี้ก็จะเลื่อนไปจากวันอาทิตย์ก็จะเลื่อนไปเป็นวันจันทร์จากวันจันทร์ก็เป็นวันอังคารไล่ไปอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆพอวันพระไปตรงกับวัน ทำงานของเราเช่นวันจันทร์เราก็จะไม่มีวันพระเพราะเราจะหยุดทํางานไม่ได้เราก็จะไม่มีวันพระมาทําหน้าที่ของชาวพุทธเราดังนั้นเพื่อให้ทันการไม่ให้ล้าสมัยชาวพุทธเราก็ต้องรู้จักการปรับตัวเพื่อที่จะรักษาวันพระของเราให้มีอยู่ทุกอาทิตย์ให้ได้ด้วยการเปลี่ยนวันพระอย่าไปถือวันพระตาม ปฏิทินเดิมเช่นวันนี้ให้มาถือวันพักตรงกับวันหยุดทำงานของเราวันใดวันหนึ่งก็ได้จะเป็นวันเสาร์ก็ได้เป็นวันอาทิตย์ก็ได้ที่เราสามารถที่จะเลือกหยุดมาเอาเวลามาให้กับการทำหน้าที่ของชาวพุทธเราถ้าเรามีการําทำหน้าที่ของชาวพุทธ อย่างสม่ำเสมอ <c oughs> การพัฒนาการของจิตใจเราก็จะเกิดขึ้นตามลำดับไปจนในที่สุดก็จะถึงขั้นสูงสุดได้เพราะการบรรลุธรรมขั้นต่างๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการทำหน้าที่เท่านั้นเองถ้าเราทำหน้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับทำขัน้นโสดาบันทำขั้นสกิทาคามี <c oughs> ทำขั้นานาคามี <c oughs> ทำขั้นารหัน <c oughs> ก็จะเกิดขึ้นตามลำดับมาอย่างแน่นอน <c oughs> อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การทำหน้าที่การที่เราจะทำหน้าที่ได้เราก็ต้องมีเวลา <c oughs> เวลาก็คือวันที่เราหยุดทำงานนั่นเอง เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเราอยากจะมีวันพระวันที่เราจะมาทำหน้าที่ของชาวพุทธทุกอาทิตย์เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนที่เราหยุดวันทำงานที่ตรงกับวันพระเราก็มาเปลี่ยนเอาวันพระของเรามาเป็นวันหยุดทำงานวันหยุดทำงานของเรามาเป็นวันพระวันใดวันหนึ่งเราหยุดสองวันเราแบ่งมาวันหนึ่งให้กับการมาทาหน้าที่ของชาวพระ ชาวพุทธเราเพราะการทําหน้าที่ที่จะทําให้เกิดประโยชน์เกิดผลขึ้นมาได้นั้นจําเป็นที่จะต้องมีการกระทําแบบต่อเนื่องอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนในวันพระนี้ท่านกําหนดไว้ว่าให้เรามาทําหน้าที่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเริ่มต้นตั้งแต่วันวันตอนเช้าวันรุ่งขึ้นวันตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นมานี้ หรือว่าเป็นวันเริ่มต้นของวันใหม่ในในทางพระพุทธศาสนาเราไม่ได้นับตามสากลที่เริ่มต้นที่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วแต่เราจะนับวันเริ่มวันวั น, ว, นวันใหม่ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นตอนที่สว่างตอนเช้าแล้วก็จะเส้นสุดวันในวันลุงขึ้นคือตลอด24ชั่วโมง นี่คือเขตของวันพระหนึ่งวันกับหนึ่งคืนตั้งแต่เช้าขึ้นมาเช่นวันนี้ตอนเช้าเราก็จะนับว่าเป็นวันเริ่มต้นของวันพระของเราแล้วก็จะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้ตอนเช้ามืดตอนที่เราตอนที่พระทิศขึ้นมาช่วงระยะเวลานี้แหละที่เป็นเวลาที่เราควรที่จะมาให้กับการทำหน้าที่ของชาวพุทธเรา เพื่อที่จะได้ทำให้การปฏิบัติของเรารู้ล่วงไปได้รับผลอันดีอันประเสริฐต่อไปหน้าที่ของชาวพุทธเหล่านี้ก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือให้เราศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีการดับความทุกข์ต่างๆว่าการที่เราจะหุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพน้นจากก า, การเวียนว่ายตายเกิดได้นั้นเราจะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่รู้วิธีที่ถูกต้องข้อที่หนึ่ง <c oughs> คือเราต้องศึกษาเมื่อเราได้ศึกษาแล้ววิธีการหลุดพน้นจากความทุกข์ว่าต้องทาอย่างไรเราก็นำอาไปปฏิบัติ <c oughs> นี่คือข้อที่สอง ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติไปจนกว่าจะได้ผลขึ้นมาก็จะเป็นข้อที่สามคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุธรรมขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนนาคามีขั้นอรหรันต์พ อ, อได้บรรลุธรรมถึงขั้นที่สี่ขั้นพระอรหันต์แล้วก็ถือว่าได้เรียนจบแล้ว สามารถไปเป็นครูบาอาจารย์นำธรรมะอันเลิศอันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้เมืม่อผู้อื่นได้ยินได้ฟังธรรมอันเลิศอันประเสริฐที่เกิดจากการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วก็จะอดที่จะเกิดศรัทธาขึ้นมาไม่ได้อดที่จะเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติตาม เพื่อที่จะได้บรรลุผลอย่างที่ผู้ที่สั่งสอนได้บรรลุมาอันนี้ก็คือสีขั้นตอนของชาวพุทธที่เราเรียกว่าหน้าที่ของชาวพุทธเราการทำตามหน้าที่นี้จะทำให้ผู้ที่กระทำตามหน้าที่นี้ได้รับประโยชน์ก่อนโดยผู้ที่กระทำหน้าที่นี้ก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันต์ก็จะได้รับวิมุตติธรรมคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเรื่องของความทุกข์นี้จะหมดไปจากใจใจจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีกต่อไปใจจะอยู่ที่วิอยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด และในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถใช้ร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมอันเลิศอันประเสริญนี้ให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ให้แก่ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เรียนรู้ได้นำเอาไปปฏิบัติและได้บรรลุหลุดพ้นตามลำดับต่อมา ผู้ที่ได้บรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นผู้เซลแมนพูดภาษาของพระพุทธศาสนาจะเป็นคนที่สามารถนํเอาสินค้าอันเล่นอันประเสริฐของพระพุทธศาสนานี้ไปขายให้แก่ผู้ที่อยากซื้อกันพอได้ยินได้ฟังคุณภาพคุณสมบัติของพระพุทธศาสนา ว่าดีเลิศอย่างไรจากการที่ได้ยินได้ฟังและจากการเห็นการปฏิบัติตนของของของผู้ที่นําสินค้ามาขายก็จะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความประสานทความยินดีชื่นชมยินดีที่อยากจะปฏิบัติตามถ้ามีการกระทําหน้าที่เหล่านี้ศาสนาก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พอจะทำให้ผู้ที่ไม่มีศรัทธานั้นเกิดศรัทธาขึ้นมาแลวก็สำหรับผู้ที่มีศรัทธาแล้ว<ม>ก็จะทำให้เกิดก็จะทำให้เกิดความศรัทธาเพิ่มขึ้นไปอีกไม่เสื่อมศรัทธาลงไปศา ส, สนาก็จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปได้อย่างยาวนาน<ม> น, นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะทำกัน คือทำหน้าที่สี่ประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาวิธีการดับความทุกข์ต่างๆว่าจะต้องดับความทุกข์ได้อย่างไรบ้าง<ม>าพระจากสทงสอนให้ปฏิบัติทำสามข้อด้วยกันคือศีลสมาธิและปัญญานี่คือเครื่องมือที่จะทำให้ ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจหมดสิ้นไปได้ข้อที่หนึ่งก็ให้เรารักษาศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยิบเจ็ดแล้วแต่กําลังของเราว่าเราจะสามารถรักษาได้มากน้อยเพียงไรแม้แต่น้อยกว่าศีลห้าก็ยังได้อยู่ถ้าเราถ้าตอนนี้เราไม่รักษาศีลเลยเราไม่มีศีลแม้แต่ข้อเดียว เราอยากจะเริ่มต้นรักษาศีลแต่เราอาจจะยังไม่สามารถรักษาศีลทั้งห้าข้อได้หรือแปดข้อได้เราก็รักษาข้อใดข้อหนึ่งไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปที่ละข้อสองข้ อ, อทุกวันพระเราก็จะมารักษาศีลกันก่อนศีลห้าก็ได้ศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองอยี่ิบเจ็ดก็ได้ แล้วแต่กำลังของเราถ้าเรายังรักษาสี่ห้าไม่ได้รักษาสี่ข้อก่อนได้ไหมถ้าสี่ข้อไม่ได้รักษาสามข้อก่อนสามข้อไม่ได้ก็เอสองข้อก่อนสองข้อไม่ได้ก็เอหนึ่งข้อก่อนข้อหนึ่งก็คือไม่ดื่มสุรายาเมาข้อสองก็คือไม่พูดปดข้อสามไม่ประพฤติผิดในการข้อสี่ไม่ลักทรัพย์ ก็ห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้เรียงลำดับตามความยากง่ายการไม่ดื่มสุรานี่เป็นเป็นข้อที่ง่ายที่สุดตามมาด้วยการไม่พูดปลดตามมาด้วยการไม่ประพฤติผิดในการตามมาด้วยการไม่ลักทรัพย์ไม่ช่อโกงแล้วก็ตามมาด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นวันพระในวันนี้ เราก็ลมาตั้งสัจจาอธิษฐานกันว่าวันนี้จะทำตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้เราละเว้นจากการกระทำบาปก่อนเพราะการกระทำบาปจะสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปเราก็ต้องหยุดการกระทำบาปให้ได้วันนี้เราก็มาสมาทานศีลกันแล้วแต่ว่าเรา เราสามารถรักษาศีลข้อไหนได้เราก็สมาทานไปคาว่าสมาทานก็คือการตั้งสัจจะอธิษฐานนี่เองคือตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะรักษาศีลกี่ข้อแล้วก็มีสัจจะก็คือเราจะรักษาความตั้งใจของเราไว้ไม่เปลี่ยนใจไม่ใช่ว่าตั้งใจตอนเช้าเดี๋ยวพอตอนบ่ายหิวข้าวขึ้นมาถือศีลแปดหิวข้าวขึ้นมาก็เปลี่ยนใจ ขอเลิกจากการถือศีลแปดมาถือศีลห้าแทนถ้าอย่างนี้ก็จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายได้การจะตั้งเป้าหมายอะไรไว้คืออธิษฐานจะต้องมีสัจจะคือความแน่วแน่ความจริงใจไม่โกหกหลอกลวงตนเองตั้งสัจจะไว้ว่าจะทำอะไรก็จะต้องทำตามที่ได้ตั้งเอาไว้นี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถทำกันได้ ในวันที่เป็นวันทําหน้าที่ของพวกเราก็คือวันพระนี้เราก็มาตั้งสัจจะว่าจะรักษาศีลกี่ข้อดีศีลห้าก็ได้ศีลแปดก็ได้อศีลสิบก็ได้ศีลสิบกับศีลสองอยิบเจ็ดนี้เป็นของของพวกของพวกนักบวชที่ศีลสิบก็เป็นของสา ม, มเณรศีลสองอยิบเจ็ดก็เป็นของพระภิกษุ อันนี้เราสามารถที่จะปฏิบัติตามกำลังของเราได้เบื้องต้นเราต้องละความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาป ก, ก่อนเมื่อเราละความทุกข์ได้แล้วจากการกระทาบาปใจเราก็จะมีความสงบในระดับหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะไปดับความทุกข์ทางใจที่ศีลไม่สามารถดับได้ โดยความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของจิตใจใเราก็ต้องมาหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้ด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิหรือ ว, ว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิเมื่อเรารักษาศีลได้แล้วเราก็จะมีกําลังพอที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิได้ถ้าเราสามารถเจริญสติอย่างต่อเนื่อง คอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เวลาเรานั่งเฉยๆใจเราก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้หยุดคิดได้เอาความคิดหยุดปั๊บความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความคิดก็จะหายไปชั่วคราวในขณะที่ใจอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจเราจะหายไปหมด ใจเราที่รูมร้อนด้วยความทุกข์ด้วยความเครียดต่างๆก็จะกลายเป็นใจที่เย็นใจที่สบายใจที่นิ่งใจที่สงบขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นการดับความทุกข์ในระดับที่สองจากขั้นสมาธิจากขั้นศีลเราก็มาดับความทุกข์ในขั้นสมาธิแล้วเราก็พยายามฝึกสมาธิไปเรื่อยๆรักษาศีลไปเรื่อยๆก่อน ในแต่ละขั้นนี้ไม่ใช่ว่าเราทําเพียงครั้งเดียวแล้วจะพอแล้วมันจะไม่จางหายไปถ้าเราไม่รักษามันก็ยังจะจางหายไปได้อยู่เช่นวันนี้เราวันพระเรามารักษาศีลกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่รักษาศีลอันนิสง์ที่ได้จากการรักษาศีลในวันนี้ก็จะหายไปถ้าพรุ่งนี้เรากลับมาทําบาปอีกใจเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันถ้าเราวันนี้นั่งสมาธิได้ ทำใจให้สงบให้นิ่งให้ความทุกข์หายไปได้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปตลอดพรุ่งนี้เราไปทํางานเราไม่เราไม่ปฏิบัติเราไม่นั่งเราไม่นั่งสมาธิเราไม่เจริญสติใจก็จะไม่หยุดคิดใจก็จะคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะคิดถึงความก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจได้อีกดังนั้นเวลาที่เราสามารถรักษา ดับความทุกข์กันใดได้แล้วเราต้องพยายามรักษาไว้อย่ากลับไปทําอีก mm hmm. ถ้าเรารักษาดับความทุกข์ที่เกิดจากการรักษาศีลได้ mm hmm. เราก็ควรจะทําต่อไป mm hmm. ทําให้ได้เท่าที่กําลังที่เราจะสามารถทําได้พอเราดับความทุกข์ที่เกิดจากการรักษาศีลได้ในวันนี้เราก็ควรที่จะพยายาม ดับความทุกข์ต่อไปในวันทุกขนี้และวันต่อไปไปเรื่อยๆเนีคือไม่ใช่ว่าทําแต่เฉพาะวันพระวันพระนี้เป็นเพียงแต่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่เป้าหมายก็คือเราต้องพยายามดับความทุกข์ให้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะมาดับเพียงแต่วันวันพระเท่านั้นเช mm hmm. ่นเดียวกับการใช้สมาธิดับความทุกข์ เราก็เราก็ต้องพยายามใช้สมาธิต่อไปให้ชำนาญในสมาธิเลยคือสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการเวลาที่ใจเราเครียดเวลาที่ใจเราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรามีความชำนาญในการเข้าสมาธินี้เราสามารถดับความทุกข์ได้ทุกครั้งเวที่เวลาที่เกิดความเครียดขึ้นมาด้วยการเข้าไปในสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบ ดัง น, นั้นพอเราได้ศีลแล้วเราก็ต้องพยายามรักษาต่อไปอย่าให้มันหายไปพอเราเข้าสมาธิได้แล้วเราก็ต้องพยายามรักษาการเข้าสมาธิของเราให้สามารถเข้าได้อย่างสม่าเสมอได้อย่างต่อเนื่องได้ทุกครั้งทุกเวลาที่เราต้องการที่จะเข้าสมาธิ น, นี่ก็คือวิธีการดับความทุกข์ในระดับที่สองที่หนึ่ง ดับความทุกข์ด้วยการรักษาศีลการดับความทุกข์ด้วยการรักษาศีลนี้มันง่ายกว่าการดับความทุกข์ด้วยการเข้าสมาธิแล้วพอเราสามารถดับความทุกข์จากการเข้าสมาธิได้แล้วเราก็จะขึ้นไปสู่ขั้นที่สามคือดับความทุกข์ด้วยการใช้ปัญญาการดับความทุกข์ด้วยปัญญานี้จะเป็นการดับความทุกข์อย่างถาวรคือทุกข์ที่ ที่เราดับด้วยสมาธินี้มันจะดับได้เฉพาะเวลาที่เราเข้าสมาธิแต่เวลาที่เราออกจากสมาธิมาพอเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกความทุกข์ก็จะกลับเกิดขึ้นมาได้อีก <Yeah. S 2> แต่ถ้าเราใช้ปัญญาดับความทุกข์นี้พอเราดับด้วยปัญญาแล้วความทุกข์ที่เราดับได้ด้วยปัญญาแล้วนี้จะไม่กลับเกิดขึ้นมาอีกเพราะปัญญานี้จะเข้าไปแก้ เรากเงาของความทุกข์รากเงาของความทุกข์ก็คือโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ว่าเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์อยู่เรื่อยๆ เ, เกิดจากอะไร<ม>เหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเราไม่เห็นไตรลักษณ์นั่นเองเราไม่เห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรา เรามักจะไปหลงคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เทียมสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราแล้วสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราไปตลอดอันนี้แหละคือรากเหง้าของความของของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงคือการไม่เห็นการไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นอริยสัจ ส, สี่ไม่เห็นว่าเวลาที่เกิดความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้มันจะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาทันที เวลาใจเราทุกนี้ถ้าเราสังเกตดูเราจะถ้าเราวิเคราะห์ดูเราจะรู้ว่าเกิดจากความอยากของเราเอ ง, งอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พอไม่ได้สิ่งที่เราอยากมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้การที่เราจะไม่อยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะมันเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ได้มาแล้วตอนต้นเวลาได้มาก็มันก็จะให้ความสุขกับเราแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะกลายไปเปลี่ยนไปหายไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปรือจากเราไปความสุขที่เราได้จากมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมทั้งปวงสเปสังขารานิจารสเปสังขาราดุขา สัพเรรมอนัตตาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนี้เป็นอ น, นิจจังเป็นของไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เที่ยงอยากให้อยู่กับเราไป น, นานๆเป็นของเราไป น, นานๆก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราเป็นของสมบัติชั่วคราวที่เราได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปเช่นร่างกายของเรานี้ เป็นสมบัติชั่วคราวเราได้มาจากพ่อจากแม่ของเราแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องคืนร่างกายกลับคืนสู่ธรรมชาติของเขากลับคืนสู่เจ้าของเดิมก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มันจะต้องจากเราไปเราก็ปล่อยวางอย่าไปอยากอย่าไปยึดอย่าไปติดกับร่างกายของเรา ยอมให้มันไปถึงเวลามันจะแก่ก็ให้มันแก่ถึงเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยมันเจ็บไข้ได้ป่วยไปถึงเวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะมันเป็นของที่ละห้ามไม่ได้อนาตตามันเป็นของของธรรมชาติไม่ใช่ของเราที่จะไปสั่งมันได้ว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะเราสั่งมันไม่ได้เราต้องปล่อยพอเราปล่อยได้หยุดความอยากได้ พอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราต่อไปทุ ก, กับทุ ก, กับร่างกายก็จะหายไปหมดเราจะไม่กลับคืนมาอีกเลยถ้าเราปล่อยได้แล้วถ้าเรายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายได้แล้วความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใจผู้มีปัญญาแล้วแต่ถ้าเราดับความทุกข์ที่ด้วยสมาธิเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เข้าสมาธิไป ความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวพอเราออกจากสมาธิมาพอมาเจออาการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ใจก็กลับคืนขึ้นมาได้อีกแต่ถ้าเราใช้ปัญญายอมรับความจริงว่าร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันไม่พ้นอย่าไปอยากให้มันไม่เป็นอย่าไปอยากให้มันไม่เกิดปล่อยให้มันเกิดเวลามันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดอยู่กับมันไปให้ได้ถ้าอยู่กับมันได้ใจก็จะไม่ทุกข์ จะไม่ทุกข์ตลอดการไม่ทุกข์กับโลกนี้ไม่ทุกข์กับโลกนั้นไม่ทุกข์กับทุกโลกที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเพราใจเห็นร่างกายเป็นตายรักแล้วเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือปัญญาปัญญาเป็นเครื่องมือชิ้นที่สามที่จะทําให้เราสามารถหยุดความทุกข์ทุกอย่างได้อย่างถาวรพอดับความทุกข์ทุกอย่างได้หมดอย่างถาวรแล้ว ใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สิ้นกิเลสใจที่สิ้นกิเลสก็คือใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอรหันตสาวกนี่ใจของ พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันตสัมมามสัมพุทธเจ้า <1600. S 1> เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาด้วยด้วยการปฏิบัติของตนเองส่วนพระอรหันตสาวกนี้เป็นพระอรหันต์ด้วยการได้เป็นสาวกคือได้เป็นนักศึกษาได้ล่ําเรียนจากพระพุทธเจ้าก่อน จึงจะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ก็ได้ได้ไปถึงนิพพานเหมือนกันได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกันไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราและผลที่จะเกิดขึ้นจากการทาหน้าที่ของชาวพุทธเราก็คือเราจะได้กาจัดความทุกข์จงๆให้หมดสิ้นไปจากใจ แล้วหลังจากที่เราหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็นําเอาความรู้นี้ไปสอนผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พอเขาได้ยินได้ฟังเขานํามาไปปฏิบัติเขาก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เขาก็จะสามารถเป็นผู้ที่มาช่วยเผยแผ่ความรู้นี้ให้กระจายกว้างขวางออกไปอย่างมหาศาลจะทําให้เกิดมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่า ง, างแรงกล้าศรัทธาความเสื่อมศรัทธาจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้ามีการทำหน้าที่ของชาวพุทธทั้งสี่ประการนี้คือหนึ่งศึกษาสองปฏิบัติสาบรรลุธรรม 4. เผยแผ่ทมที่ได้บรรลุแล้วให้แก่ผู้อื่นต่อไปนี่ก็คือเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธที่นำมาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาของการแสดงธรรมพะเดี๋ยวนี้ได้กำหนดไว้30สนาทีโดยประมาณ แล้วอีก30นาทีต่อไปนี้ก็จะเป็นภาคปฏิบัติคือการมาดับความทุกข์ด้วยการเข้าสมาธิกันมาเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ถ้ามีสติควบคุมกำกับใจผูกใจไว้กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐานนี้ก็มีอยู่4ีชนิดด้วยกันแต่เวลาเราปฏิบัติเราจะใช้เพียงชนิดเดียวหรือสองชนิดในบางโอกาส บางครั้งเวลาที่เราเริ่มนั่งสมาธิใจเรายังฟุ้งซ่านอยู่ยังไม่สามารถบริกรรมพุทธโธได้หรือไม่สามารถดูลมหายใจเข้าออกได้<ม>เราก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้<ม>หรือใช้การฟังธรรมแบบที่นี่กัแบบตอนนี้ก็ได้<ม>ตอนนี้เราฟังธรรมไปก่อนการฟังธรรมก็จะช่วยกล่อมใจของเราที่ฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นเร่องนี้ให้หายฟุ้งซ่านก่อน แล้วพอหายฟุ้งซ่านได้แล้วเราก็สามารถมากำกับใจให้อยู่กับกรรมฐานที่จะนำใจเข้าสู่ความสงบได้คือการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้หรือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้หรือบางท่านอาจจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้ <S <S หรือจะเอาพุทโธพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะดูลมอย่างเดียวก็ได้ แต่ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เป็นเครื่องผูกใจไว้เพราะถ้าไม่มีเครื่องผูกใจไว้แล้วใจจะลอยไปกับความคิดต่างๆนั่งไปนานเท่าไหร่ก็จะไม่หยุดความคิดได้ถ้าใจไม่หยุดคิดใจก็จะไม่สงบใจก็จะไม่เข้าสมาธิได้ใจก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ของใจได้ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ของใจเราต้องมีสติคอยกากับใจให้อยู่กับกรรมฐานที่เรา ที่เหมาะ ก, กับเราในในเวลานั้นบางเวลาเรานั่งสมาธิดูลมได้เลยเราก็ดูลมไปบางเวลาเราพุทโทได้เราพุทธโธไปบางเวลาดูลมไม่ได้พุทโทไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้หรือมีวิธีอื่นที่เราใช้ที่สามารถทำให้ใจนิ่งสงบเข้าสมาธิได้ก็สามารถใช้ได้เพราะกรรมาฐานอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจนี้มีหลากหลายด้วยกันในตำราแค่มีถึงสี่ชนิด ถ้าท่านเคยไปศึกษาปฏิบัติมาจากที่ใดแล้วสามารถใช้กรรมฐานแบบใดที่ทำให้ใจของท่านสงบได้ก็สามารถใช้แบบนั้นได้เลยไม่มีข้อจํากัดแต่งได้ดังนั้นเวลานั่งสมาธิขอให้เรามีสติกำกับใจให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับอะไรก็ได้แล้วเวลาที่นั่งเวลามีอะไรมาปรากฏก็อย่าไปสนใจ มีเสียงเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีรูปมีภาพเข้ามามีแสงเข้ามามีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจหรือรู้สึกว่าเอ็นไปข้างหน้าร่างกายเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหลังหรือเอ็นไปข้างซ้ายก็ไม่ต้องไปปรับอย่าไปทําอะไรทั้งสิ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิให้ผูกใจยอยู่กับการมัฐานเพียงอย่างเดียวใจถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไปสนใจ เกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราก็จะทำงานพอทางานใจมันก็จะไม่นิ่งมันก็จะไม่สงบนั่นเองดังนั้นขอให้เรามีสติกำกับอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราแล้วใจของเราก็จะค่อยเข้าเข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลา ตอนนี้เวลาต่อการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่ท่านจะลุกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้ใหดูจดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้ให้ดีเวลาคราวหน้าจะนั่งอีกก็ใช้วิธีนี้นั่งต่อได้เลยก็จะทําทให้จิตสงบได้แต่เวลานั่งคราวหน้าอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้ เอรความอยากยังไม่ได้ทำให้มันสงบแต่วิธีนั่งที่ถูกต้องจดจำเอาไว้ให้ดีแล้วก็นำเอาไปใช้ต่อถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีกําลังน้อยควรจะสร้างสติให้มากขึ้นก่อนในระหว่างวันนี้เราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆในใจไม่ว่าเราจะทาอะไรก็ตามแล้วต่อไปเราจะมีสติเพิ่มมากขึ้น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 จันโทปนาราโสยธามณจโชติอราโสยธาสัพพิติวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนศีลิศนุจจังอุทาปจายโน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 ถ้าหลังจากนี้แล้วจะมาถามตอนเลิกจะตอบไม่ได้ต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 240ท่าน Youtube พระสุชาติ317ท่าน y o u t u ด e ดกตรวี54ท่านกลับเท้า e 4ท่านวิทยอดลาย8ท่านนาคุติ234ท่านรวมทั้งหมด แปดร้อยห้าสิบเจ็ดท่านครับพระอาจารย์เชิญคุณเหร อ, อจากที่หลวงพ่อสอนมาตลอดว่าตัวเราเนี่ยเป็นธาตุรู้แล้วก็ธาตุรู้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นอมตะแล้วก็ไม่ตายทีนี้หลวงพ่อพูดพูดคำหนึ่งว่าว่าแม้กระทั่งธาตุรู้ก็เป็นอนัตตา อยากให้หพ่อเมตตาขยายความว่าตัวธาตุรู้นี่เป็นอนัตตาในแง่ไหนครับก็เป็นธรรมชาติเหมือนดินน้ําลมไฟดินก็ไม่มีตัวตนน้ําก็ไม่มีตัวตนลมไฟก็ไม่มีตัวตนธาตุรู้ก็ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติเป็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับท่านท่ตหอื่นๆหนึ่งในหกธาตุอ่าหนึ่งในหกธาตุที่เป็นส่วนประกอบของทุก อ, อย่างในโลกในจั ก, กรวาลนี่ก็ทํามาจากหกธาตุนี้แหละ แต่ตัวเราก็คือท่านรู้เราเป็นท่านรู้แต่ท่ารู้ไม่ได้เป็นเราท่ารู้สร้างเราขึ้นมาท่ารู้เป็นเหมือนคนเขียนนิยายเข้าใจไหมท่ารู้มีความสามารถที่จะคิดปรุงแต่งได้แล้วท่ารู้เกิดจินตนาการขึ้นมาอยากจะสร้างาละครสักเรื่องหนึ่งก็เลยสร้างตัวตนขึ้นมาให้เราให้ท่ารู้เป็นตัวตนท่านรู้ไม่ใช่ตัวตนนะแต่ความคิดของทรู้เหมือนคนเขียนนิยาย เราจะเขียนนิยายจะสร้างตัวตนขึ้นมากี่คนก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านที่นิพพานไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่หายไปไหน่ะจะหายไปไหนก็ถ้ารู้ท่านก็คือท่านรู้ท่านก็คือท่านารู้แต่ท่านไม่หลงนะถ้ารู้ที่ไม่หลงเลิกเขียนนิยายนะเลิกเขียนนิยายนะเพราะนั้นคําว่าตัวตนที่ว่าเนี่ยมันคือตัวตนที่อยู่ในอวิชชาในอวิชช า, าแล้วก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ในเหมือนกับ กิจนาะการของธาตุรู้ครับรือความสังขารความคิดปรุงแต่งคืออยู่ในสิ่งที่เป็นโลกธาตุใช่ไหมหลวเพราะจา ก, กวานาธาโลกธาตุที่ไม่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใหนธาตุรู้เป็นธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยเป็นตัวสร้างตัวตนขึ้นมาก็ธาตุารู้มีความสามารถอยู่คือความคิดปรุงแต่งจําได้หมายรู้ไอ้สองตัวนี้สามารถทําให้เราสร้างนิยายต่างๆขึ้นมาได้ สร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมาได้จริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งมาอยู่ในสิบหกครอภูมิครอบภูมินี้ก็คือสถานภาพของธาตุรู้ที่เปลี่ยนไปตามบุญตามบาปที่ทําไว้เอาเกจเดีเวลานั่งสมาธินี้กับเวลาไม่นั่งจิตมันจะต่างกันเล้วใช่ไหมครับเวลาไม่นั่งวุ่นวายแนั่งสงบเวลาไม่นั่งนี้อยู่ในกามาภูมิครับคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสยิ้มเรื่อยพอเวลานั่งสมาธิจิตสงบเข้าสู่รูปภพรูปภูมิหรือรูปภพ เปลี่ยนช่องคลื่นเป็ น, เ ป, นเป็นการเปลี่ยนแปลงของของสถานภาพของธาตุรู้ของธาตุรู้ครับธาตุรู้ก็เป็นเหมือนน้ำอย่างเงี้ยน้ำที่เราจะทําให้มันใสก็ได้ทําให้มันขุ่นก็ได้ถ้า<ะ>เรามีเครื่องกรองมันอยู่เรื่อยน้ําก็จะใสถ้าเราไม่มีเครื่องกรองเราของสกโปษใสไปในน้ํามันก็จะขุน่นมันก็จะสะกโปษบุญกรรมนี่เป็นตัวจะเรียกว่าเป็นตัวทําให้ธาตุรู้ขุ่นหมองเรือ ว, ว่าสดใสเบิกบาน ถ้าบุญบุญจะเป็นตัวทําให้จิตใจถ้ารู้นี้บวบานขึ้นไปเรื่อยๆสะอาขึ้นไปเรื่อยๆถ้าบาปก็ทําให้ถ้ารู้นี้สกปรกลงไปเรื่อยๆกิเลย ก, ก็เหมือนกันกเล ก, ก็ทําให้ถ้ารู้นี้เริ่มสกปรกไปเรื่อยๆคล้ายกับว่าเปลี่ยนความถี่ไปเรื่อยๆนะว่าเป็นความบริสุทธิ์ก็ได้ควา ม, มบริสุทธินะ์น้ำน้ำมันมีความบริสุทธิ์ของมันแล้วถ้าใสา่เข้าไปมันก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าอยากให้มันบริสุทธิ์เราก็ต้องมีเครื่องกรองกรองของที่มัน ใส่เข้าไปในน้ําออกไปมันก็จะกลับไปเป็นน้ําบรยสุทขึ้นมาได้เองแสดงว่าความไม่บริสุทธิ์ของน้ําเนี่ยคือ ม, มันมีตัวตนอยู่ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นธรรมชาติที่ใดก็รรมไม่ใช่ตัวตนอืของรรโซรกโปมันมีตัวตนไหมที่ใส่ไปในน้ำมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนทั้งนั้นตัวตนตวตนี้เกิดจากเนี่ยตัวสังขารความคิดปรุงแต่งของของจิตสร้างขึ้นมาจนกระทั่งฝังมันลึกอยู่ในใจจนกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมา เหมืนสมัยก่อนคนคิดฝังในใจว่าโลกนี้มันแบนเนี่ยมันก็ฝังอยู่ในใจไม่กล้าไปไกลๆนั่งเรือก็ไม่กล้าไปสุดขอบทะเลเดี๋ยวควจะตกออกนอกออกนอกโลกไ ป, ปเพราะแคจะเป็นเหมือนเหมือนโต๊ะเงี้ยถ้าเราไปสุดขอบโต๊ะมันก็จะตกลงไปก็เลย ไ, ไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปไกลๆแต่มีพวกดาราศาสตร์พวกวิทยาศาสตร์ก็มองในโลกข้างบนห้องฟ้าถ้ามันทุกอย่างมันกลมไม่หมดไอะนั่นี่มันจะแบนดได้ยังไงเอรือท้าพิสูจน์เนี่ย ก็จะนั่งรือออกไปจนกว่ามันจะตกออกขอบทะเลมันก็ไม่ตกไปมันก็ไปเจอดินดานใหม่ขึ้นมาแสดงว่าธาตุรู้ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วเนี่ยก็ยัง exist อยู่ใช่ไหยหลวงพ่อเหมนดิมขันหนะ้าขันสี่ที่อยู่ในธาตุรู้ก็ยังมีอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีอยู่เพ แ, แต่ไม่ทํางานไม่ทํางานหยุดหยุดเขียนนิยายอ๋อครับหยุดเขียนนิยา ย, ยเขียนนิยา ย, ย, ย, นน ย, ายปรุงแต่งสังขานปรุงแต่งขึ้ามาก็เป็นนิยายขึ้นมา เพรานั่นตัวตนตัวตนที่ถูกเขียนขึ้นมาก็หายไปก็หายเวลาหยุดคิดปรุงแต่งเวลาเข้าสมาธิมันก็หายไปแล้วมันก็หยุดชื่วคราว <awards. S 1> แต่ถ้าอยากให้มันอยู่อย่างถางวรต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าไม่มีตัวตนมันแค่ตัว ม, มันความตัวตนเกิดจากความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองเนั่นเองพอเราหยุดคิดปรุงแต่งตัวตนก็หายไปนี่เราก็มาเปลี่ยนการปรุงแต่งใหม่แต่คราวนี้เราจะไม่ปรุงแต่งว่าเป็นตัวตนเราจะปรุงแต่งว่าเป็นตัว ใคร wow. รู้เฉยๆใครด่าก็เฉยใครใครด่าก็รู้เฉยๆใครชมก็รู้เฉยๆไม่มีปฏิกิริยาถ้ามีปฏิกิริยาเมื่อไหร่ตัวตนออกมาทันทีใคร them, ใครว่าด่าเราโกรธเขาขึ้นมาเนี่ยตัวตนออกมาแล้วตัวตนนี่เป็นตัวมารับความโกรธมารับการการด่าของเขาแล้วก็ถ้าเขาชมก็ยินดีดีใจขึ้นมาอันนี้ก็ตัวตนออกมารับแถ้าเป็นตัวรู้ออกมารับก็รู้เฉยๆเป็นกลาง เฉยๆให้ดีใจไม่เสียใจนั่นแหะคือเป้าหมายของการปฏิบัติให้กลับไปสู่ความเป็นตัวรู้ไม่ใช่ออกจากการเป็นตัวตนให้กลับเข้าสู่การเป็นตัวรู้ด้วยการไม่มีปฏิกิริยากับอะไรทั้งสิ้นสักแต่ว่ารู้อย่างแต่ว่ารู้ไปครับต้องปฏิบัติมันถึงจะรู้รถ้าคิดไปจนวันตายมันก็เข้าไม่ถึงจุด น, นั้นรครับใช่ครับใช่ถ้าปฏิบัติจิตรวมเป็นสมาธิมันจะเข้าถึงตัวนั้นนะครับ แต่มันอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวออกมาอก อ, อกมาตัวรูตว้ตัวตัวตนก็กลับมาอีกเวลาเข้าสมาธิอยู่ในฌานฌานสิวเบขานี่กันหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเพราะเพราะตัวสังขารนั่นหยุดคิดปรุงแต่งแต่พอออกมาจากสมาธิสังขารเริ่มทำงานมันก็ปรุงแต่งไปตามาวิชาเหมือนเดิมเป็นตัวเราของเราขึ้นมาเหมือนเดิมอแต่ว่าเราใช้ปัญญามาชวนกระแสความคิดมารีโปรแกรมถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ร e p r o แ r a m ซอฟต์แวร์เปลี่ยนใหม่ เอาปัญญามาทำลายตัวตนมีมีสเต้ e เมื่อไหนอยู่ในซอฟต์แวร์ที่มันเป็นตัวตนนี้ลบออกไปให้หมดดีลีตไปให้หมดแล้วแต่ไม่มีตัวตนนั้นแตตัวรู้อย่างเดียวอืมครับเรารอ่าธาตุรู้ที่บ้านเนี่ยก็ไม่สามารถบังคับให้ไม่รู้ได้ใช่ไหมพ่อหลวงพ่อเคยบอกว่าเขาเป็นมันเขารู้ว่ามันตลอดต้องรู้ <4 S 1> ลตลอดเหมือนมัอนถ้าที่นี่ไม่สั่งให้มันไม่ไม่ไมส่งแสงสว่างออกมาได้ไห มันก็ส่งแสงเขามันตัวนอกจากว่าถ้ามันหมดหม ด, หมดไฟมันก็อาจจะดับได้วันหนึง่งแต่ตอนนี้แสงแสงดวงอาทิตย์มันออกมาตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมถึงแม้ลกเราจะไม่ได้รับแสงเพราะว่าเราหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งแต่แสงอาทิตย์ก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาตัวรู้ก็แบบแสงอาทิตย์เนี่ยรู้อยู่ตลอดเวลาจะตื่นจะหลับมันก็รู้ของมันเอง เรามองในส่วนนี้ว่ามันเป็นคุณสมบัติว่าเป็นอนัตตาใช่ไหมครับคือที่คุณพ่อเคยบอกว่าบรรพบัญชาทั้งหมดเลยทั้งตัวมัทั้งหมดอน้าตาหมดบรรับบัญชาไม่ได้ิยสังขารวิยายก็เป็นหน้าตาหมดไม่มีตัวตนเลยแม้แต่นิดเดียวยกเว้นการปรุงขึ้นมานอกจากสังขารปรุงขึ้นมาครับเขียนเขียนนิยายขึ้นมาแต่งนิยายขึ้นมาเป็นฟิคชั่นนี่เราต้องมาเขียนนิยายมาให้มันเป็นนันฟิคชั่นเขียนตามความเป็นจริงก็คือไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวตน พิจารณาสังขารน้องปรุงแต่งใหม่ปรุงแต่งเป็นสัพเพ ธ, ธรรมานาตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนครับครับครับสาธุครับถามไหมหม อ, อเอาเลยกลับหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูหนูหนจะเรียนถามหลวงพ่อว่า คำว่ารู้รู้แล้วละเนี่ยเจ้าค่ะรู้แล้วละแล้วมันจะมีสเปซระหว่างรู้ก่อนแล้วก็สเปซแล้วก็ละเนี่ยหนูสมมุติว่าหองหนูเนี่ยนั่งสมาธิได้ระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าถ้าหนูแค่แบบจ u s ว่ารู้อะไรเข้ามาหนูก็ละมันไปนเลยโดยที่ไม่ผ่านโพเซตการใช้ปัญญาคิดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ละแบบสติก็ละแบบได้เชี่ยวข่ะเดี๋ยวมันกลับมาใหม่ก็ต้องละอยู่เรื่อย เช่นคนนี้ที่เราเกลียดเขาเนี่ยเขาเจอเขาเราก็อย่าไปคิดถึงเขาเขาก็หายไปจากใจเร า, าเดี๋ยวาคราวหน้าเจอเขาอีกเขาก็มันก็เข้ามาในใจเราอีกแล้วก็ยังเกลียดเขาอยู่เหมือนเดิมเราก็ยังจะไม่ชอบเขาอยู่เหมือนเดิมหนูก็ต้องใช้ระหว่างสเปซเนี่ยต้องใช้ปัญญาก่อนหน้านั้นตอนนี้ตอนว่างๆก็คิดถึงคนนี้คิดให้เขาเห็นว่าเป็นแค่ดินน้ำลมไฟไป ทำมาจากดินน้ำลมไฟหรือการสามสิบสองก็ได้แล้วเกียรตผมเขาเลยแล้วเกียดตขนเขาเลยเกียรตเล็บเขาเกียดฟันเขาเกียรตหนังเขาแล้วเกียดอะไรเขาไล่ไปใน่สุดมันก็จะไม่มีอะไรแล้วที่จะไปเกียรติค่ะหมายถึงว่างเราว่างๆเนี่ยอเนซ้อมซ้อมบ่อยๆเลยว่าเกียรตคนเนี้ยเกียดมากเลยอ่โปรแกรมใหม่โปรแกรมให้ไม่อยากไปเกียดติเาแล้ว คื อ, อยังไงก็ตามถ้าเรารู้แล้วละแบบโง่โงเนี้ยไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะหมายว่าถ้าได้เป็นขั้น<อ>เป็นขั้นเป็นข่ขาวไปนะต้องผ่า น, น, านโปรเซสเดี๋ยวพอเจอเขาอง ก, ก็จะก็จะก็มีปัญหาเหมือนเดิมอ๋อเจ้าคะ่ะแล้วปัญญาปัญญาที่ระหว่างที่เราจะคิดคือทางโลกนี้ก็คือคิดให้มันเข้าสู่ไตรลักษณ์ใช่มองให้เห็นว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็าจ ะ, ะเป็นดินน้ำโลหไฟเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นธาตุห้าก็ได้ธาตุสี่ดินน้ำโลหไฟคือร่างกาย ใจเขาก็เป็นธาตุรู้ที่มาทําหน้าที่อะไรของเขาเคลื่อนไว้ต่างๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องแยกทางไปสรุปคือว่าถ้าเรามีปัญหากับอะไรเนี่ยเอาปัญหานั้นมาคิดในทางทางควาจริงใช่ไหมเจ้าค่ะคือเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เจ้าค่ะเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยพ้ำตาลนะไามหมายถึงดินฟ้าอากาศเจ้ค่ะเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่เป็นอย่างนั้นยังเป็นอย่างนี้เราก็โกรธเขาเกลียดเขาเจ้าค่ะ พ <Luther> ราเขาเป็นส้มเราอยากให้ก็เป็นกล้วยเจ้าค่ะไว้ให้ก็เป็นส้มไปค่ะแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้วิชาแบบว่าหลบหลบเลี่ยงก็ยังก็ใช่แบบอาบายอุบายอง์สติมันเข้าสมาธิไปไม่คิดถึงเขาเจ้าค่ะเวลาเข้ามาก็พูดโทพูดโธไปไม่มองเขาไม่คิดถึงเขาอะไรนี้มันก็เราก็นิ่งได้เจ้าค่ะแต่แต่มันไม่จบโทเมื่อไหร่มันก็เหมือนเดิมเจ้าค่ะมันไม่จบข่ดใช่เพราะอวิชาใจเราคือความอย่างไปเห็นเขาเป็นตัวตน เป็นสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนเขาได้อย่างห้ามเขาได้เจ้ะคะาค่ะเราต้องมองว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เจ้าคะ่ะแสดงว่าในทุกๆปัญหาที่เกิดกระทบใจเราเราเอาปัญหานั้นมาแก้เหมือนกันทุกอย่างเป็นใจล้่าง<อ>ที่เราทุกคนเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นอเจ้าค่ะเขาใจแล้วเจ้าค่ะบิทไม่ได้ก็ยอมหยุดยอมหยุดเย็นดีกว่าเจ้าค่ะยอมยอมหยุดหยุดการที่จะไปแก้เขาเปลี่ยนเขา ค่ะให้ยินดีตามมีตามเกิดไปแต่ถ้าสมมติเราทํางานแล้วแล้ว เ, เขาแบบอยากให้เรา <c oughs> ก็เหมือนกันอะทํางานหรือไม่ทํางานมันก็ทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเปลี่ยนไป <c oughs> เขาอยากให้เราเปลี่ยนเจ้าค <c oughs> <ต>่ะเขาอยากให้เราเปลี่ยนแต่เราก็อยากทำหน้าที่เราที่ดีต่อไปก่อนอ่าก็อยู่ที่ว่าเราเราเร า, เราเฉยได้หรือเปล่าเจ้าค่ะ เขาอยากให้เราเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่นเราเฉยๆไปเราทนกับการแรงเสียดทานของเขาได้หรือเปล่าเจ้าค่ะเราก็ต้องมีอุเบกขามีสมาธิเจ้าค่ะกอที่จะรับกับการกระทำต่างๆของเขาได้เจ้าค่ะเพอเราห้ามเขาไม่ได้เจ้าค่ะห้ามไม่ให้เขามายุ่งกับเราไม่ได้เจ้าค่ะเพราะเขาจะมายุ่งกับเราเจ้าค่ะถ้าเราอยากให้เขาไม่มายุ่งเราก็จะทุกข์เจ้าค่ะแต่ถ้าเรายอมให้เขายุ่งกับเราก็จะไม่ทุกข์เอ้าอยากจะว่าอะไรก็ว่าไปอยากจะทําอะไรก็ทําไปเจ้าค่ะถ้าเราทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้ก็ ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็แล้วกันเจ้าค่ะแต่ถ้าเรามีสมาธิมีมีปัญญาเราก็อยู่กับที่ได้อย่างมากาแค่ตายเจ้าค่ะที่อย่างนั้นนะก็จบตรงที่ความตายแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า อ, อ๋อได้งานเพิ่มเจ้าค่ะซึ่งเราไม่ต้องการเจ้าค่ะนนะความอยากของเราไม่ต้องการงานนี่เป็นปัญหาจุดแต่ <c oughs> ถ้าเราอยากจะทํา ง, า, ง, งานเราก็จะดีใจเฮ้มีงานเพิ่มอีกนะแต่มันก็จะไปรบกวนชีวิตที่เราปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะเพราะเรามีความอยาก ให้มีชีวิตที่เราปฏิบัติธรรมไงอ๋อเจ้าค่ะถ้าเราไม่มีความอยากเราเราเรารู้ว่าเราอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเจ้าค่ะเราก็ต้องยอมปรับตัวเราให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนไปงานเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องปรับสภาพปฏิบัติธรรมให้น้อยลงหรือถ้ายอยากปฏิบัติธรรมเท่าเดิมเราก็ลาออกจากงานนั้นไปเจ้าค่ะมันมันต้องตัดสินใจต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าค่ะเราจะทั้งสองอย่างไม่ได้เพราะตัวแปรมันเปลี่ยนไปนะ x เหมันเปลี่ยนไปจะให้ y เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ไ้หรือเปล่าเรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณิตมาหรือเปล่าจะจำไม่ได้แล้วเจ้าค่ะเรียนนานแล้วเจ้าถ้า x คือหนึ่ง y ก็คือหนึ่งถ้า x เป็นสองเน่าให้ y เป็นหนึ่งมันเป็นไม่ได้หรือเปล่มันก็ต้องเป็นสองตาม x เองอ้าใจไหมเจ้าค่ะ ก, ก็คือก็ต้องเลือกเอาเราก็ต้องเลือกเอาใช่เจ้าค่ะเลิกก็ทนเนาอยู่อยู่ตามมันไม่ว่าเลือกทางไหนก็ ปัญหาหมดเลยเจ้าคะ่ะเลือกที่จะเ อ, อเลือกที่จะไม่เพิ่มงานก็ต้องเจอปัญหาเหยียบย่าถ้าเลือกที่จะเพิ่มงานเพิ่มงานงานทํามันการปฏิบัติทำก็น้อยลงงานก็กินคนอีกเจ้าคะ่ะไม่ว่าจะเดินทางไหนในทางโลกเนี่ยปัญหามันมาพร้อมหมดเลยเจ้าคะ่ะนั่นสตั้งสมัยทางถ้าอยากจะไปทางธรรมก็ต้องไปบวชปัญหาก็จะน้อยลงไปแล้วก็<า>หมดไปได้เข้าใจเจ้าคะ่ะ กลับกลับเขาคุณจะเข้าใจแล้วจ้ะค่ะอาเช่นมีคําถามจากทางหน้ากุฏินะคะจิตเดิมที่ยังไม่เคยเกิดมีกิเลสได้อย่างไรคะจิตเดิมเกิดอยู่ตลอดเวลามีกิเลสอยู่ตลอดเวลาเอาว่าจิตเดิมก็คือเวลาที่จิตสงบไม่ตอนนั้นน่ะมันเป็นเหมือนกับสู่สภาพเดิมสภาพที่ไม่มีกิเลสแต่กิเลสไม่ได้หายไป กิเลสถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้พอจากสมาธิมากิเลสก็กลับมาทำงานต่อจากคุณซีเซนซันนะคะเมื่อกี้ฟังเทศมีพระท่านไหล่ว่าทำให้สัมมาสมาธิมาก่อนต่อไปสัมมาสติจะเกิดขึ้นเองจริงหรอคะหนูเข้าใจว่าต้องพยายามเจริญสติเยอะๆแล้วเวลานั่งจิตจึงจะรวมง่าย สัมมาสติน่าจะมาก่อนสัมมาสมาธิถูกไหมคะถูกต้องสัมมาสติต้องมาก่อนถ้าไม่มีสติใจก็จะลอยคิดไปคิดมาคิดอยู่เรื่อยนั่งปัจจุบันตายจิตก็ไม่สงบสมาธิไม่เกิดแต่ถ้ามีสติควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาได้เดี๋ยวจิตก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาคุณรักจังกุณทิดาค่ะกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ เราจะมีวิธีวางใจอย่างไรเมื่อต้องอยู่กับคนที่เขาไม่ชอบเราได้อย่างไรบ้างคะก็มองเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ ก, ก็ต้องก็ต้องอยู่เฉยๆไปเขาจะเกลียดเราเขาจะไม่ชอบเราก็เป็นเรื่องของเขาเราห้าเราห้าห้ามเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้คุณพิม์รวีค่ะค ว, ความกลัวหรือกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเจ็บป่วย เป็นความคิดที่ผิดที่เราไม่ควรคิดใช่ไหมคะเราจะทำยังเราจะทำยังไงให้ใจเป็นกลางขณะป่วยคะมันยากมากเลยค่ะก็ต้องสอนใจว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยมมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวันใดวันหนึ่งเปลี่ยนมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ถ้าเรายอมเราก็จะไม่ทุกข์ จากท่านต่อไปค่ะบางทีนั่งสวดมนต์แล้วเกิดปิติรู้สึกเย็นกายสบายใจตรงนี้เป็นเพราะใจเราเริ่มมีความสงบหรือเปล่าคะแต่เวลาหนูนั่งภาวนาใช้คําบริกรรมบางทีร่างกายจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนคล้ายๆจะมีกําลังวังชาขึ้นมาค่ะก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงก็แล้วกันเวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องของร่างกาย ให้สนใจเรื่องของใจว่าอยู่กับกรรมฐานได้หรือเปล่าอยู่กับพุโทโธได้หรือเปล่าท่านั้นแ่ะส่วนเรื่องอื่นอย่าไปสนใจมั้ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปเองคำถามจัดทางอินบอ็อกค่ะผมเอาของไปถวายพระอาจารย์สุชาติเวลาสิบห้าจุดสามศูนย์นาฬิกาหลังเทศจบ แม้ผมจะถวายน้ําปานะที่ถูกพระวินยัยพระสงฆ์สามารถฉันได้แต่พระอาจารย์ไม่ได้แยกไว้หลังรับแปลว่าน้ําปานะที่ผมถวายนั้นกลายเป็นของลูกศิษย์คาวาะไปแบ่งกันกินหรือแปลว่าลูกศิษย์จะเอาไปถวายให้กับพระสงฆ์ท่านบ่ายวันนั้นหรืออาจจะวันรุ่งขึ้นช่วงเช้าให้ครับก็ถวายวันไหนก็ได้ลูกศิษย์สามารถที่จะเาไปถวายได้ จากคุณไทเกอร์ค่ะคำถามครับเท่ากับธาตรู้ที่ถึงธาตุนิพพานเท่ากับทีวีที่ไม่เสียบปลั๊กตลอดเลิกถ่ายทอดข่าวถ่ายทอดละครเลิกเล่นเสียงภาพแบบนี้ถูกไหมครับเออคล้ายๆกันคล้ๆจอปล่าว่างๆไม่มีอะไรจากคุณรักจางคุณธิดาค่ะการที่เราฝึกเป็นคนพูดน้อยลง ไม่ไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันจะช่วยให้เราฝึกจิตให้สงบขึ้นนั่งสมาธิได้ดีขึ้นถูกไหมคะไหนพูดอีกทีหนึง่งการที่เราฝึกเป็นคนพูดน้อยลงไม่ไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันจะช่วยให้เราฝึกจิตให้สงบขึ้นนั่งสมาธิได้ดีขึ้นถูกไหมคะถูกต้องเป็นการเจริญสติ คอยหักห้ามจิตใจไม่ให้คิดปรุงแต่งคุณสิริการค่ะขอสอบถามค่ะเคยได้ยินมาว่าในการฝึกกรรมฐานจะต้องมีครูบาอาจารย์สอนเท่านั้นถึงจะบรรลุหากไม่มีครูบาอาจารย์สอนเป็นบ้าได้เป็นเช่นนั้นหรือไม่คะหากไม่มีครูบาอาจารย์จะฝึกอย่างไรคะก็ฝึกด้วยการอ่านหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ก็ได้ อ่านหนังสือธรรมะที่ขั้นมาจากพระไตรปิฎกก็ได้คือถ้าเราจะทําอะไรที่เรายังไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องเราก็ต้องมีคนสอนหรือมีหนังสือสอนเร า, างเราต้องเรียนก่อนอย่างที่วันนี้บอกหน้าที่ของเราหน้าที่แรกก็คือศึกษาให้เรียนรู้วิธีการดับความทุกข์ว่ดับอย่างไรจะเรียนจากครูบาอาจารย์โดยตรงก็ได้เรียนจากพระพุทธเจ้าผ่านพระไตรปิฎกก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกทางไหนแล้วก็เลือกทางนั้นไป จากคุณวีว่าค่ะถ้าเรารู้ตัวว่าจิตฟุงฟ้งซ่านมากๆใจกระวนกระวายมีโทสะควรนั่งสมาธิเพื่อระงับความฟุ้งซ่านหรือไม่หรือควรหรือว่าควรรอให้จิตสงบก่อนแล้วนั่งสมาธิขอคำแนะนำค่ะออจะให้จิตสงบมันก็ต้องนั่งสมาธิอยู่ดีเวลายังมีการเคลื่อนไหวอยู่จิตจะสงบไม่ได้คาถามต่อไปค่ะ หนูจะทำอย่างไรดับความเสียใจทรมานจิตใจมากมายเหลือเกินเจ้าค่ะยอมรับความจริงเราไม่ยอมรับความจริงเราสูญเสียอะไรไปเรายังอยากจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาอยู่ก็เลยทําให้เราเศร้าใจเสียใจแต่ถ้าเรายอมรับว่าสิ่งที่เราอยากได้นะั้นมันจากเราไปแล้วไม่สามารถกลับมาหาเราได้อีกแล้วเรายอมรับความจริงอันนี้เราก็จะหายความเศร้าใจได้ตอนนี้หมดแล้วค่ะ